าศาสนานะครับเพราะว่าอที่แล้วๆมาก็เป็นการช่วยในการแนะแนววิธีการโต้ตอบตอบแก้ข้อตักสาาวะที่มีคนต่างาศาสนาหรือคนที่ไม่เชื่อต่อศาสนาเกิดมีขึ้นกับพุทธศาสน า, าของเราเพราะฉะนั้นในวันนี้จะได้นาเข้าสู่ประเด็นหัวข้อเรื่องในวิชาที่เบียกว่าประวัติาศาสตร์พุทธศาสน า, าต่อไปอาศาสนาทุกศาสน า, าในโลก ถ้าหากว่าเราไม่เรียนรู้ประวัติความทาคพุทธหรือศัพท์ภาษาพหัสาาที่มีต่อศาสนานั้นน่ะก็จะไม่สู้สมบูรณ์ดีถ้าหากว่าเราได้เรียนรู้ประวัติว่าอะไรเป็นมูลเหตุให้เกิดศาสนานั้นในะศาสนานั้นมีความพัฒนาเป็นมาอย่างไรจะยิ่งเชิดชูความศรัทธาประาาและความเข้าใจต่อหลักการสําคัญในศาสนานั้นอย่างท่องแท้ยิ่งขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งพุทธศาสนา ซึ่งเป็นศาสนาที่มีอายุยั่งยืนเท่ายกศาสนาพรามกับกับศาสนายิวเสียพุทธศาสนานี่ก็เป็นศาสนาที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดยิ่งกว่าศาสนาอื่นเวลานี้ศาสนาต่างๆในโลกนี่เขาแบ่งกลุ ก, กัน่นคือแบ่งกลุกว่าศาสนาที่ตายแล้วพวกหนึ่งศาสนาที่ยังไม่ตายยังมีชีวิตอยู่แต่ว่ามีคนนับถือเปอร์เซนต์มากน้อยพวกหนึ่ง าศาสนาที่จัดอยู่ในประเภทเทวนิยมกับเทวะนิยมอีกพวกหนึ่งแล้วก็าศาสนาที่เป็นประเภทเกิดขึ้นในทางตะวันตกหรือาศ า, าสน า, า, าที่เป็นประเภทเกิดขึ้นในทางตะวันออกอีกพวกหนึ่งที่ว่าอย่างนี้ก่อนที่จะเข้าถึงประวัติศาสตร์ของุู้ศ า, าสน า, านั้นเราก็ต้องทําความเข้าใจเรื่องประเภทศสาสนาดังกล่าวมาที่เรียกว่ า, าศาสนาที่ตายแล้วหมายความว่ า, าศาสนาที่เคยมี ปรากฏการในอดีตมีผู้รับถือในโลกในอดีตแต่ในการรัปัจจุบันจะหาสาสนิจชนทำยากเหลือเกินถึงมีก็เป็นอโภหารยคล้ายๆไม่มีคือมีน้อยเต็มทีหรือเกิบจะไม่มีเลยหรือไม่มีเอาเลยทีเดียวอาจาศาสนาประเทศที่ตายแล้วดังที่ว่านี้ก็ได้ต่ศาสนาโบราณของพวกกรีกโรมันนี่เฉพาะว่าเฉพาะในยุโรปนะ ในพื้นที่ยุโรปก็ได้ใจศาสนาโบราณของพวกกรีกและพวกโรมันศาสนาโบราณของพวกกรีกและพวกโรมันอศาสนาพวกนี้ก็มีลักษณะเป็นประเทศพหุเทวานิยมนับถือพระเจ้าประจําธรรมชาติพระเจ้าประจําธรรมชาติในศาสนาโบราณของกรีกและโรมันนี้มีมากมายจนกระทั่งคนในกรุงโรมเองหรือคนในกรุงเอเธนหรือกรุงสปาตาของกรีกเองจําชื่อพระเจ้าเหล่านี้ไม่ไม่ผูกมีมากจนจาไม่ผูกว่ามีพระเจ้ามีกี่องค์ชื่ออะไรบ้าง มีมากมายเหลือเกินโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีคำพังเพยพูดกันมาว่าในกรุงเอเธนน่ะมนุษย์เกิดจะหลีกพระเจ้าไม่พ้นหมายความว่าทุกคนทุกแห่งมีแต่เทวาลศาลสาําหรับประดิษาฐานเทวรูปหรือเทพีที่พวกกรีกในสมัยโน้นเขาบูชากันยิ่งบอกว่าในกรุงเอเธนส์นี่มนุษย์เกิดจะหลีกพระเจ้ากันไม่พ้นไปถึงไหนก็เจอแต่เทวรูปบ้งางรูปเทพีบ้างมากมายกายกอง นี่เป็นลักษณะนักถือศาสนาโบราณของพวกกรีกรโรมันซึ่งเป็นบ่อเกิดอารยธรรมเก่าแก่ของยุโรปทั้งยุโรปในทวีทัฟริกาตอนเหนือก็มีประเทศอียิปต์เป็นประเทศที่โบราณที่สุดถ้าจะว่าแล้วชนชาติไอยคุบรุชนชาติอียิปต์โบราณ น, นั้นได้เริ่มตั้งต้นประวัติศาสตร์ราวเจ็ดพันปีล่วงมาแล้วหรือประมาณห้าพันปีก่อนพุทธศตวรรษชาติอียิปต์ก็ได้ประดิษฐานขึ้นแล้ว ในภาคเหนือของทุีปอเมริกาพวกอียิปตนี่ก็นับถือศาสนาโบราณแบบพระเทวคนิยมเป็นพระเจ้าประจำธรรมชาติต่างๆมากมายก่ายกองจนกระทั่งพวกราศดรเองจําชื่อพระเจ้าไม่หวาดไหวมากมายเหลือเกินนี่คในทวยปอฟริกาในเอเชียเอเชียของเราศาสนาที่ตายไปแล้วก็ได้ใจศาสนาของพวกอ่าชนชาติ อัครียศาสนาโบราณของชนชาติเปนิเชียนแล้วก็ศาสนาโบราณของชนชาติบาบิลอนชนชาติทั้งสามชาติตั้งกล่าวมานี่เป็นพวกที่อยู่ในมนุษย์สกุลเซมิติเซมิติมีภูมิลำเนาและอู่แห่งความเจริญในดินแดนที่เรียกกันว่าเอเชียไมเนอร์เอเชียมายเนอซึ่งเป็นดินแดนที่ว่าเอเชียถ้าจะว่าแล้วก็เรียกว่าเอเชียที่เกึกบจะ กลายเปนยุโรปไปกวาา่าได้เอเชียไมเนอร์แห่งเนี้ยอยู่ใกล้ชิดกับยุโรปมากเขาแบ่งกันออกแผนที่โลกนะแบ่งเป็นตะวันออกไกลตะวันออกกลางตะวันออกใกล้เ น, นี่ยดินแดนเอเชียไมเนอร์เนี่ยจะวราไปแล้วก็อาจจะอยู่ในเขตที่ว่าตะวันออกใกล้คือเกือบจะกลายเป็นตะวันตกไปแล้วเนี่ยตะวันออกไกลพูดถึงสายตาชาวยุโรปมองดินแดนเอเชียไมเนอร์ปัจจุบันก็ได้แต่ บริเวณที่ราารุ่มแม่น้ำยูเฟรนติสจะเป็นน้ำใไ้คริฟซึ่งเป็นที่ต่างของประเทศซีเรียยอแดนอิรักอปัจจุบันนี้เป็นที่ต่างของสามประเทศนี้และตอนใต้ก็มีประเทศปาเลสไตน์อันเป็นประเทศใหม่ที่พวกสร้างขึ้นหลังของความโรค่งข้างที่สองศาสนาของชนชาติเซนิเชียนกับอชนชาติอัสซีเรียนในบาบิโลนนี้สูญไปแล้วสูญไปพร้อมกับชนชาติเหล่านี้ได้หมดยุคไปแล้วสูญชาติไปเลย กรีกรโรมันในถึงกระสุนชาติยังดำรงธงเผาอยู่ได้นจนทุกวันนี้แต่ว่าชนชาติอักเซเรียนกับบาบิโรนหรือเซนิเชียนนั้นอย่าว่าแต่ศาสนาจะไม่มีคนนับถือเลยแม้แต่ชนชาติเหล่านั้นก็ไม่มีผู้มีคนเหลืออยู่ที่จะสืบสายอารยธรรมอันดึกดึดกดํามัน์ของตัวไว้ได้ในปัจจุบันนี้ไม่มีเลยล่มจมไปหมดทั้งชาติทั้งศาสนาตอนนี้มาใกล้ทำามาอีกคือศาสนายิวหรือศาสนายิวของพวกคิรู ศาสนานี้ถ้าจะว่ากันว่าโมเสสโมเสสเป็นศาสดาพยากรณ์ที่สอนให้พวกยิวนับถือพระเจ้าองค์เดียวคือพระยูโฮวาตามคัมภีร์โอลเทสเมนของเขาหรือตามคัมภีร์ธารมุขของชนชาติยิวแล้วศาสนานยิวก็มีอายุประมาณราวหกพันปีราวหกพันปีเป็นศาสนาที่ว่ายังยั่งยืนอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้และยังมีชนชาติยิวนับถืออยู่เป็นก่อเป็นกรรมเป็นสักเป็นส่วนอยู่ได้ แต่ว่าเป็นาศาสนาที่เผยแผ่ครับแคกเต็มทีคือว่าแค่จะว่าทุชนชาติแล้วก็มีชนชาติอยู่ในโลกที่นับถือาศาสนาอยู่คือชาติอยู่เท่านั้นเองแต่ว่าน่าหน้ า, นาชงเฉยไอความอดทนของชนชาตินี้แม้จะล่มลุกคลุกคานแม่จะบ้านแตกกระแตกขาดแม้จะถูกเขายึดบ้านยึดเมืองล่มจมบ้านเมืองล่มจมไปแล้วระเหรหนสักเทเนจรไปเป็นกาฝากอาศัยในประเทศต่างๆเขาก็ายังอุตส่าห์รักษ า, าศาสนาบรรพบรุษไว้ได้ จนกระทั่งหลังสงครามโลกครั้งที่สองอัศวัยอัอิท ธ, ธิพลของารร ช, าชาติชาติจึงได้จัด ก, การให้ยิวมีประเทศเป็นสัตว์เป็นส่วนเป็นเกอะเป็นตรมรก็เข้าสทัทีคือได้ประเทศบาเลสไตน์หรือเรียกกันว่าประเทศอิสเตรนเดี๋ยวนี้อันเป็นประเทศในทะเลทรายมีเมืองเยรูซาเล็มอยู่เป็นเมืองสําคัญนี่ศาสนายิวยังอยู่เป็นศาสนาโบราณเหมือนกันนับตั้งแต่โมเสสมาถึงปัจจุบันก็ราวๆปุกันปีนะเป็นศาสนาหนึ่งยังอยู่ทั้งชนชาติยังอยู่ทั้งคููนักผือ ใกล้เข้าใกล้บ้านเราเข้ามาอีกคืออินเดียแ อ, อ่ยังไม่ถึงอิหร่านก่อนมาถึงถัดจากยิวก็คืออิหร่านถัดจากดินแดนที่ว่าแลมอาหรับเข้ามาก็คืออิหร่านหรือเรียกกันในสมัยก่อนว่าเปอร์เซียประเทศอิหร่านนั้นก็เคยมีชนชาติอรารยันซึ่งเป็นเผ่าเดียวกับพวกอรารยันที่อพยพเข้ามาในอินเดียมาเป็นเจ้าของประเทศตั้งโลกราบอยู่าศาสนาโบราณของชนชาติอิหร่านในครั้งกระโ น, น้น เรียกว่าศาสนาตูโรอาเซ่ศาสนาตูโรอัเซ่หรือเรียกกันอีกนายหนึ่งว่าศาสนาปาซีศาสนาปาซีศาสนานี้เวลานี้มีคนนับถือไม่ถึงสามแสนคนมีมีเป็นกลุมกลุ่มน้อยมีเรียวไปอภิหาริศใครจะว่าไปแล้วมีไม่ถึงสามแสนคนแล้วก็เหลืออยู่กระร่องกระแรงกระพ้องกระแพงเต็มทีอยู่บ้างนิดนิดหน่อยหน่อยตามชายเขตอินเดียทางแขบตะวันตกที่ติดทะเลอาหลัก ผูปาซีเรว่าแขกป่าซีแขกป่าซีแล้วมีในเมืองไทยเราก็มีบ้างที่ขามาทําหน้าที่รับจ้างข้าวยามในเมืองไทยเราก็มีเหมือนกันพวกนี้บูชาไฟเป็นพระเจา้าบูชาไฟพวกนี้บูชาไฟกราบไหว้พระอาทิตย์แล้วก็กราบไหว้ไฟกราบไหว้ไฟพระเจาของเขามีชื่อว่าอาหุระมัสดาอหุระมัสดาหนังสือพระอหุระมัสดาเป็นพระเจา้าเป็นศาสนาประเทศถูกเทวานิยมเหมือนกัน เป็นศาสนานี่เรียกเป็นอโศหารทินะครับเพมีคนนับถือประมาณสามแสนทนเองใกล้ทำไมอินเดียศาสนาตามก็เป็นศาสนาที่มีอายุประมาณห้าพันปีอายุห้าพันปีหรือหกพันปีมาแล้วถ้าคิดก่อนที่ชาวอารยันจะเข้ามาในอินเดียแล้วก็ต้องมีอายุไ ก, กลกว่านั้นราวราวเจ็ดพันปีพอๆกับศาสนาเด็บันของชนชาติไฮยุคุกแต่ถ้าคิด ตั้งใจชาวอารยันมาตั้งโลกราในลุ่มแม่น้าสีทุกตะคงคาในชมพูชวีตแล้วต้นละราวห้าพันปีหรือประมาณสามพันปีก่อนพุทธศตวราจะว่าไปแล้วาศาสนานี้ก็ยังสามารถถ่ายทอดอารยธรรมของตนไว้ได้กระทั่งปัจจุบันและมีประชากรจำนวนถึงสี่รล้านนับถือศาสนานี้ก็ด้ห ว, วั่นมากมากพอทุกคนทีเดียวตั้งสี่ร้อยล้าน แต่ถ้าว่าศาสนานี้ก็ไม่สามารถที่จะไปเผยแผร่ในต่างประเทศทําให้ชนชาติอื่นทั้งชาตินับถือตามก็มีแต่ชาติดินดูเท่านั้นเองที่นับถือศาสนานี้ไม่เคยมีประเทศอื่นๆในโลกที่รับเอาศาสนานี้ไปเป็นศาสนาประจําประจำชาติไม่มีเลยไม่มีเลยจึงเป็นศาสนจึงจัดอยู่ว่าอยู่ในขอบเขตเฉพาะเผยแพร่ในชมพูทวีปนั้นเองแต่ขนาดชมพูทวีปก็เข้าไปตั้งสี่ร้อยล้านแล้ว อาถจากรศาสนาครามเขาเข้าไปในเมืองจีนในเมืองจีนก่อนที่พุทธศาสนาจะแพร่หลายเข้าไปจีนเขาก็มีนักปรชัชญาเมธีอย่างคงจื้อหรือเล่าจื้อเป็นผู้ตั้งหลักปรชัชญาสั่งสอนอบรมจิตใจประชากรชาวจีนมุ่งยุคพุทธสมัยทั้งคงจื้อและเล่าจื้อนั้นไม่ได้ตั้งเป็นลูกาศาสนาขึ้นเพียงแต่ประกาศตนเป็นเจ้าลัทธิไม่ถึงกับเป็นาศาสนาแต่เป็นลัทธิ คือไม่มีขบวนการของสาวกรหรือสาวิกาไม่มีไม่ได้บัญญัติขบวนการสาวกสาวิกาหรือวีไนหรือการีหรือขนมธรรมเนียมเป็นข้อบังคับเป็นศีลเป็นวินยัยที่จะต้องให้สาสนิกชนหรือผู้รับโอาวาในศาสนานั้นประพฤติปฏิบัติเป็นเพียงแต่นักสลัชยาเมตีแล้วก็เป็นสรชัชยาเมตีชนิดที่เดียก ว, ว่าอาสอนคู่ ก, กันกับระบบจริยศาสตร์ทางการเมืองด้วย เพราะฉะนั้นเชียงเรียวเป็นเจ้าลัทธิแท้ชนจึงชนชาติจีนในสมัยโบราณถ้าจะมีศาสนาศาสนานั้นก็เป็นประเภทถู้เทวานิยมคือไหว้พระเจ้าประจำธรรมชาติเช่นเดียวกับชนชาติโบราณอื่นๆในโลกทั่วไปคงจื้อก็เล่าจื้อไม่ถือเป็นศาสนาถือเป็นเพียงลัทธิทั้งคงจื้อก็เล่าจื้อนั้นปัจจุบันนี้ก็ไม่มีสาวกหรือสถาบันที่จะเป็นผู้เผยแผ่คําสั่งสอนย่งยืนสืบท อ, อดมาถึงทุกวันนี้ไม่มี เป็นเพียงแต่ปรัชญาอันหนึ่งที่ใครจะพอใจก็ศึกษาเป็นการส่วนตัวแล้วก็ปฏิบัติเป็นการส่วนตัวไม่มีสถาบัน mm. เผยแผ่ศาสนาไม่มีหรือเผยแผ่ลัทธิ mm. เราก็ไม่คงเคราองในศาสนาหลัก mm. ถ้าทัดจากจีนเข้าไปก็ญี่ปุ่น mm. ญี่ปุ่นมีเรียกว่าศาสนาประจำชาติเข้าแตกก่อนที่พุทธศาสนาจะแพร่เข้าไปคือศาสนาชินโตคําว่าชินโตแปล ว, ว่าวิสีของสวรรค์ หรือวิถีของพระเจ้าหรือวิถีแห่งความบริสุทธิ์ชินโตนะแต่ว่าวิถีแห่งความบริสุทธิ์ถ้าเจ้แปลกันอย่างให้สักแสงบาลีก็คือตรงกับคําว่าวิสุทธิมัชนั่นแหละชินโตศาสนานี้ก็เป็นศาสนาที่ประเภทเทวานิยมประจำธรรมชาติแต่ก็มีบูชาพระเจ้าที่เป็นเทวาดีเทพอยู่องค์หนึ่งพระเจ้าผู้นี้ก็คือผู้หญิงแต่พระเจ้าผู้หญิงซสืบต้นให้อาิตย ศาสนาชินโตนั monde, ้นแตกต่างกับพระอาทิตย์ในศาสนาพราหมณ์หรือพระอาทิตย์ในศาสนาของพวกอียิตหรือพระอาทิตย์ในศาสนาของชนชาติกรีกหรือกับโรมันหรือพระอาทิตย์ของชนชาติอินเดียแดงคือว่าพระอาทิตย์ในชนชาติอื่นน่ะล้วนเป็นผู้ชายพระอาทิตย์ของญี่ปุ่นนั้นเป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงชื่อว่าเทพีอมะเตระสุเทพีอมาเตระสุเป็นผู้หญิงเป็นเป็นเทวาดีเทพีเทวาดิเทศ เป็นปสถานของพระเจ้าทั้วเนี่ยศาสนาชินโตศาสนาชินโตก็ไม่ได้บัญญัติวินัยหรือว่าหลักจริยศาสตร์อะไรแน่นอนลงไปสักแต่ว่าให้คนมาบูชากราบกราบไหว้และทำบิณฑ์ทั้งเลยพระเจ้าเท่านั้นเองก็ไม่ได้เป็นศาสนาเป็นต่อเป็นตามอะไรนักหนาอะไรนอกจากเยเซียเราข้ามมหาสมุทรแปซิฟิกไปอเมริกาอเมริกาเหนืออเมริกาใต้สองทวีตนี่ ทั้งสองขวิบนี่ในสมัยโบราณก่อนที่ฝรั่งจะเข้าไปตั้งโรคราศอยู่ได้มีชนชาติที่เป็นเจ้าของทิ่ครอบองชนชาตินี้เฉพาะในอเมริกาเหนือในประเทศเม็กซิโกปัจจุบันนี้มีชนชาติอินเดียแดงเ่ามายาเป็นเจ้าของในอเมริกาใตา้ในแครุกูเขาแอดิสในประเทศทิรีเปรูอิคารากัว แล้วก็บราซิลประเทศเหลานี้โดยมีชนชาติอินเดียแดงอีกเผ่าหนึ่งเป็นเผ่าใหญ่ที่ว่าเผ่าอินคาเป็นเจ้าของครอบครองชนชาติอินเดียแดงเผ่ามายาในประเทศเม็กซิโกก็ดีชนชาติอินเดียแดงเผ่าอินคาในทวีปอเมริกาใต้ก็ดีเป็นผู้สร้างสรรค์อารยธรรมอันเก่าแก่ของทวีปสองทวิปนี้ไม่ใช่ชนชาติบาดเปี่อย เป็นผู้ที่มีความบรรลุความเจริญแล้วอย่างสูงกระทั่งสามารถทํำชนระทานบนเชืภูเขาสูงได้ค้นน้าขึ้นภูเขาได้คนป่าเท่งนั้นไม่ได้นอกจากคนที่ดมีฐานวิศวกรรมโยธาอย่างดีแล้วรู้จักวิชาทางวิศวกรรมโยธาอย่างดีแล้วจินสามารถสร้างเขื่อนน้ําแล้วก็ค้นน้าขึ้นภูเขาสูงได้นอกจากนี้ยังสามารถเจาะภูเขาข้างลูกให้เป็นที่อยู่อาศาา <g> ัยเป็นประสาท อินเดียแดงพวกนี้ก็เคารพบูชาพระอาทิตย์เป็นพระเจ้าเหมือนกันไหวพระอาทิตย์ไหวไฟแล้วก็นับถือพระเจ้าศาสนาเป็นประเทศเทวนิยมมีนักบวชมีปุโรหิตสําหรับเส้นสงเวรแต่ก็ศาสนาของพวกนายาก็ดีพวกอินคาก็ดีเวลานี้ก็มีผู้นับถือแล้วศูนย์ไปหมดแล้วตายตายไปพร้อมกับความเจริญของชนชาติทั้งสองนี้หมดไม่มีเดือรอนเป็นศาสนาที่ตายแล้ว ต่อมาก็คือพุทธศาสนาและศาสนาเชนในอินเดียพุทธศาสนาไม่ใช่เป็นศาสนาที่ตายแล้วเพราะยังมีคนนับถือหลายประเทศสืบทอดมากระทั่งปัจจุบันนี้ศาสนาเชนมีคนนับถือประมาณหกล้านคนคาจริงศาสนาเชนเนี่ยเป็นคู่แข่งสําคัญกับพุทธศาสนาเพระศาสดาของเชนคือท่านมิคนนาตาบุตรซึ่งเป็นเจ้าพิคุทั้งหกองค์หนึ่งนั่น เป็นผู้ที่มีชีวิตร่วมยุคกับพระพุทธเจ้าและตถาคตศาสนาในสถานที่เดียวกันมีลีลาชีวิตคล้ายคลึงกันคือว่าได้ผ่านชีวิตทางโลกมาแล้วมีมเหสีแล้วเสดจในวรรณะกษัตริย์ด้วยซ้ำพระมหาวีระรมีคนนาตาบุตรนั่นเดนนนาาสด็ในวรรณะกษัตริย์เมืองเวสาลีในเป็นริชวีวงศ์มืกษัตริชวีแล้วก็ออกบวชเมื่อมีครอบครัวเบื่อหน่ายแล้วก็ออกบวช ออกบทแล้วก็บรรเทนทุก ข, ก, ข ก, กุรกรรมกิริยามารู้ละเอียดกระทั่งที่สุดถือว่าเป็นอรหันต์เป็นสัพพัญญูแล้วก็ตั้งบัญญัติศาสนาขึ้นสอนสาวกอยู่ใกล้ๆ ก, กับพระพุทธเจา้าพระพุทธเจ้าเสด็จไปไหนพวกนี้ก็ปูนเปลีนอยู่แถวนั้นประกาศศาสนาในใกล้เคียงกันบางครัง้งบางครัง้งขนกับอยู่ในอารามเดียวกันอึ้นในปาบาริสกรมภวันเนี่ยบางครั้งอยู่ในศูนย์ศูนในศนเดียวกันแต่ประหลาดมากเกิน ทังพระพุทธองค์กับนิโคนาบุตรไม่เคยปากหน้ากันจังๆสักคราวหนึ่งเลยในปรากฏเลยทั้งในคำพีพุทธศาสนาทั้งในคำพีพุทธศาสนาเฉนไม่ได้มีข้อความหรือบันทึกที่กล่าวถึงว่าพระพุทธเจ้าได้พบปะสนทนากับจอมศาสดาในศาสนานี้สักครั้งหนึ่งเลยศาสนาโจรไม่เคยนิโคนาบุตรเป็นผู้บัญญัติผู้บัญญัติศาสนาโชรที่ว่ารุสีรุสภะ ฤษีรุสภะเป็นคนมีชีวิตก่อนพุทธทานบัน ญ, ญัากศาสนานี้ขึ้นนี่คนนาตาบูตเป็นเพียงแต่เป็นผู้มาประกาศให้แค่หลายออกไปเป็นผู้มาประกาศให้แค่หลายออกไปให้เจริญขึ้นศาสนานี้เวลานี้มีคนรับถือในอินเดียประมาณหกล้านแล้วก็เนื่องจากว่าคนหกล้านนี่้ที่รับถือเคนเนี่ยโดยมากเป็นพวกขอค้าเป็นขหามดีล่ํารวยมีเงินทองมาก พวกนี้ก็สามารถสร้างวัดวารามาเทวาลัยบูช า, าศาสนาเชนเข้าด้วยหินอ่อนสวยงามถ้าจะว่าเกี่ยวกับโบสถ์ในาศาสนาต่างๆอินเดียแล้วไม่มีโบสถ์ศาสนาไหนสู้โบสถ์ศาสนาเชนได้ในด้านความสวยงามความสะอาดและความแกะสลักเล่าอย่างวิจิตรพิสดารเชนเขานำหน้าในเรื่องนี้ทั้งตะอาดทั้งสวยงามทั้งมีค่าข้อหินอ่อนมีฟันหินอนอนรึเปลังพื้นก็หินอ่อนอะไรหินอ่อนหมด แต่สลักสล่าวงดนามทีเดียวบทเทศ น, นี่เป็นเรื่องประวัติาศาสนาย่อยๆนะฮะทั่วโลกคุกกันอย่างย่อยๆมีมาอย่างนี้ตอนนี้เขานักปราชญ์ก็ยังมันหยาดว่ า, าศาสนาที่เป็นโลกกับศาสนาอีกาศาสนาที่มันเป็นโลกกับศาสนาพวกหนึ่งที่เป็นโลกกับศาสนาพวกหนึง่งศาสนาที่เป็นโลกกับศาสนาเนี่ยก็คือพุทธคริสต์อิสลาม สมศาสนานี้เป็นโลกศาสนาศาสนาฮินดูหรือครามศาสนาเชนศาสนายิวไม่ใช่โลกศาสนาหรือศาสนาคินโตไม่ใช่โลกศาสนาไม่ใช่ไม่ใช่โลกศาสนาศาสนายิวเป็นบอกเกิดหรือศาสนาคริสกับศาสนาอิสลามเรจะพูดง่ายยซูก็เอาคติธรรมในศาสนายิว ไปขยับขยายเพิ่มเติมแล้วก็ตัวเยซูเองก็ไม่ได้ตั้งใจจะตั้งศาสนาใหม่ยังถือตัวเป็นผู้รับถือศาสนายิวอยู่ไม่ได้ตั้งใจว่าจะเป็นผู้ประดิษฐสถานศาสนาใหม่ศาสนาคริสพเพิ่งจะมากลายเป็นาาศาสนาคริสหลังพระเยซูตายแล้วโดยลูกศิษย์ของพระเยซูชื่อเซนตอนเป็นผู้ตั้งศาสนานี่ขึ้นทีกออกจากศาสนายิวเป็นชิ้นสัพเพาแผ่นทราเลยเด็ดขาด ไม่มีการที่จะรา่วงร่วมทางนักกรรมกันได้เด็กขาดกันแล้วเป็นฝีมือของเซนตปอนซึ่งเป็นสาวกสำคัญคนหนึ่งของเยซูได้นําศาสนาคริสเตียนไปประดิษฐานในยุโรปทําให้าศาสนานี้กลายเป็นาศาสนาเขาฝรั่งมังค่าบ่ะ <S <S ส่วนศาสนาอิสลามนั้นเกิดหลังาศาสนาคริสเตียนประมาณห้าร้อยปีจําง่ายๆนะครับว่าพระเยซูตั้งาศาสนาคริสเตียนขึ้นหลังหลังพระพุทธเจา้าลิพานประมาณห้าร้อยปีเศษ ส่วนพระมหมัชตั้งศาสนาอิสลามขึ้นหลังพระพุทธเจ้านิพพานแล้วประมาณพันปีเศษเพราะฉะนั้นก็เท่ากับว่าพระมหามัชฌ์ตั้งศาสนาอิสลามขึ้นหลังเยซูห้าร้อยปีเศษเนี่ยเราจำ ง, ง่ายๆเนี่ยบอกพุทธศตวรรษที่ห้าเจอศาสนาคริสต์พุทธศตรวตตรรษที่สิบเจอศาสนาศาสนอิสลามเอาเลขห้าเป็นเกณฑ์อย่างละห้าอย่างละห้เว้นห้าร้อยปีก็เจอศาสนาหนึ่งเว้นห้าร้อยปีก็เกิดศาสนาหนึ่งพระมหามัชฌ์ เมื่อตั้งศาสนาอิสรามอลขึ้นนั้นก็ไม่ได้โจมตีศาสนาคริสตกับยกช่องพระเยซูกับโมเสสซึ่งเป็นศาสดาของยิวหรือศาสดาของผู้คริสเตียนในฐานะเป็นน้มีเหมือนกันเป็นศาสดาพยากรณ์ในในศาสนามุสลิมเหมือนกันพวกมุสลิมเรียกพระเยซูว่าอีซาและอีซาและอีซาเรียกคือคือเป็นศาสดาพยากรณ์แต่ถ้ว่าถ้าหากว่าถือ ศาสนาคริสต์เปียนกับศาสนายิวเป็นศาสนาพยากรแล้วทําไมพระมหากมัดจะตั้งศาสนาอิสลามขึ้นใหม่ทําไมเขาก็แก่ว่าอ่าผ่านรอผ่านรอของศาสนาอิสลามนะ่ะเป็นองค์เดียวกับพระยโฮวาของศาสนาคริสต์และเป็นพระเจ้าองค์เดียวกับพวกศาสนายิวนะบอกตรงว่ายิวคริสต์อิสลามนับถือพระเจ้าองค์เดียวกันเนี่ยคือพระยโฮวายาโฮวาเนี่ยองค์เดียวกันแต่มาเรียกชื่อต่างๆกันเช่ อ, อิสลามเรียกเป็นอันรออันรอ ซึ่งใครเราเรียกกันเราอ้าลาพระอาลาเนี่ยคืออันลองเท่าล่ะถ้าอามัดถือว่าคําสั่งสอนของพรอนลอมาสมบูรณ์ในสมัยพระมหามัตถ์ถ้าพระมหามัตถ์เป็นผู้ถ่ายทอดคําสั่งสอนอันสมบูรณ์จากพระผู้เป็นเจ้าส่วนนบีอื่นๆนั่นน่นะนม่ได้ถ่ายทอดแต่ยังไม่ ส, ม, สมบูรณ์ชื่อพระมหมัดไม่ได้แล้วหลังจากพระมหามัตถ์ไปแล้วไม่มีใครจะมาถ่ายทอดอีกแล้วเพราะทุกสิ่งมาสมบูร์ในสมัยพระมหามัตถ์เพราะฉะนั้น ศาสนาอิสลามทิ้งได้แยกแตกต่างไปจากศาสนาที่เปลี่ยนอีกศาสนาหนึ่งทั้งๆที่ยอมรับฐานะพระเยซูกับโมเสสในศาสนาอยู่ ว, ว่าเป็นมูนีของเขาเป็นอดีตสมูนีของเขาขกันนี่ตอนนี้ที่จับเป็นโลกศกาสะนาน่ะก็เอาข้อที่ว่าศาสนาใดมีชนชาติอื่นนับถือศาสนานั่นเป็นโลกศาสนาชนชาติอื่นไหมถือว่าส่วนมากนะไม่ใช่ว่ามีชนชาติอื่น เพียงห้าคนหรือสองสามคนนับถือก็ ก, การเปนโลกศาสนาไม่ใช่ต้องทนชาติอืน่นส่วนมากนับถือศาสนานั้นเป็นโลกศาสนาโลกศาสนาเวล า, า, าที่ยินมีเพียงสามศาสนาเท่านั้นพุทธคริสอิสลามศาสนาฮินดูแม้จะมีคนนับถือถึงสี่ร้อยล้านแต่ว่านอกจากอินเดียแล้วมีมครนถือเนยอย่างมืองใคเยเราจะถือว่าคนไทยถือฮินดูไม่ได้เราไม่นดะถือฮินดูเป็นศาสนาประจำชาติถึงไม่จะมีพระในราชที่พี เราก็ถือว่ า, าพราหมณ์เหล่านี้เป็นเพียงแต่ทําหน้าที่คล้ายๆเป็นเจ้าพนักงานเจ้าพนักงานนั้นเองไม่ได้ถือเป็นนักบวชเป็นทักษินยยบุคคลเราคนไทยไม่ได้เห็นทางในทักษินยยบุคคลถือว่าเป็นเจ้าหน้า ท, ที่ที่คล้ายๆเป็นโขนประเทศโขนอย่างนี้แหละทําหน้าที่สอกเคาออย่างเป็นหมอตยศาสตร์ประเทศเนี้ยซึ่งสวงบัตรีใบอะไรต่างๆไปไม่ได้เคารพในฐานะเป็นทักษินยยาเราไม่ได้ทําอันเฉลียกรรมตามอิสติกรรมต่อพราหมณ์เหล่านี้เนี่ยจึงไม่ได้ถือว่า ไทยนับถึงทามไม่ใช่ศาสนาทามจริงไม่ใช่เป็นโล ก, กาศาสนาทั้งๆที่มีคนนับถือถึงสี่ร้อยล้านเป็นศาสนาพุทธเราเนี่ยเป็นโล ก, กาศาสนาเพรมีคนนับถือหลายชาติหลายชาติหลายภาษาโ ด, า ย, า ด, ดยเฉพาะอย่างยิ่งในแถบเอเซียคเนย์แต่เอเซียตะวันออกไกลเนี่ยประชาชนส่วนใหญ่ในชาติต่างๆก็เป็นพุทธทัง้งนั้นตามที่เราทร า, ากันดีอยู่แล้วศาสนาอิสลามมีคนนับถือก็มากมาย เวลานี้เขาบอกว่ามีคนนักศึกาศาสนาอิสลามทั่วโลกก็เข้าไปตั้งประมาณตั้งหกร้อยกว่าล้านแล้วทั่วโลกมีหลายชาติถ้าว่าตามธงในสาประชาชาติก็เข้าไปตั้งเกือบสีสิบชาติละมั้นักศึกษาศาสนาอิสลามเนี่ยมากม า, กายกายกองนี่ส่วนศาสนาคริเตียนนะไม่ต้องพูดถึงละทุกฝูงลแห่งเลยแทกซึมเป็นหมดไม่หมดแต่ว่าถ้าที่นักศึกษาเป็นศาสนาประจำชาติเนี่ยก็มียุโรปทั้งยุโรปออเมริกาทั้งทั้งทวีเ ออสเตรเียท่านทวีตนี่เขาก็เป็นโลกเขาก็ปูย้ยดได้อย่างถ้าคภูมว่าเขาเป็นโลกศาสนาเหมือนกั น, น, าากกนแต่ว่ามันคขำที่เมื่อคราวฉลอง25ศตรวรรษในประเทศอินเดียพุทธเชียนตีวัฐบาอินเดียจัดงานฉลองขึ้นพวกาศาสนาเชนเขาร้องแรกแผลปต่เธอไม่ยอมเขาบอกว่ารัฐบาลเนรูนี่ลำเอียงเข้าข้างพุทธาศาสนามากทําไมถ้าไม่จัดวันฉลองมหาวีระชยันตีบ้างล่ะ ทั้งๆ ท, ที่มหาวิรัติีคนนาตบุตรนะ่ะเกิดร่วมพุทธสมัยพุทธกาลและเป็นาศาสานาสําคัญของอินเดียมาแต่โบราณเหมือนกันทำไมรัฐบาลอินเดีย จ, จําเพาะเจาะจงมาฉลองพุทธชยานตีทํำไมไม่จัดมหาวิรัเจียนตีบ้างเมรุสอกตับไปบอกว่ า, าศาสานาของท่านนั้นไม่ได้เป็นโลกาศาสนาหี่คือ ม, มีชนชาติหรือข้าวถือเราจากชนชาติอินเดียบางกลุ่มที่นับถือาศาสานานี้เท่านั้นเพราะฉะนั้นรัฐบาลอินเดียเสียใจจัดจัดฉลองให้เป็นการใหญ่หหหหโตเป็นทางการเออกระเริะแจงพุทธศาสนานไม่ได้ ศาสนาพุทธในฐานะเป็นโลกศากสนาถ้ารัฐบาเลเนรูไมาจัด ก, การฉลองพุทธจีนตีแล้วรัฐบาลอินเดียต้องถูกตําหนิจากคนชนชาติต่างๆทั่วโลกในฐานะอินเดียเป็นปีตูพูมของพระพุทธเจ้าแล้วขอดทิ้งไม่เห็นความสําคัญของวันยี่สิบห้าัตวัดเพราะฉะนั้นจึงสมควรแล้วทุกประการที่รัฐบาลอินเดียจะจัด ก, การฉลองพุทธจีนตีเป็นการเออกระราะทั่วประเทศข้า่ฉลองตลอดตีนะครัท้องเจดวันเลิกของครับ ฉลองแบบต่ต้นปียันสิ้นปีเลยทุกเดือนทุกปีฉลองตลอดปีเลยเพราอินเดียกว้างเหลือเกินวนเวียนฉลองกันตลอดตามมณฑลต่างๆสำคัญสําคัญเน่ยจะฉลองหมดนี่เขาฉลองกันจริงจังรัฐบาลอินเดียนะมาเดีเป็นทุสินดูทั้งนั้นแต่เขาต้องฉลองพุทธยันตีในถานะปีพุทธจารย์เป็นชาวอินเดียนำเนสียทิพูมาสู่อินเดียเนี่ยเขามาเาษษดาี๋ฉลองในฐานะเป็นสาวกษาแต่ฉลองในฐานะว่าเป็นอัจฉริยะมาหาบุรุษยิ่งใหญ่ของชมูทวิต ที่นกียทพอันยิ่งใหญ่มาสู่ชมพูทวีเฐานยักษติในโลกปราสภามุทายอินเดียน่ะเขาไม่เรียว่าสภาผแทนเขาเรียกว่าโลกสภาสภาระโลกตกลงอยู่เพราะอินเดียมันใหญ่โตเหลือเกินอ่าอ่าผู้แทนหลักจรนักศีรอกว่าอ่รูเป็นโลกสภารูปมาติเป็นเอกฐานฝันรูปประมาณทินนี้เลยอินเดียเนี่ยอันนี้ก็เป็นชัชนะของพุทธศาสนาที่กลับเคยมากลับมาสู่อินเดียอีกวาร่าหลังจากได้ดับขุ่นมาแล้วตั้งแปศตวรรษ นี่ห น, นึ่งเบนน่เปโล ก, กศาสนาคินโตไม่ใชโลกศาสนาขอนับถือเฉพาะในญี่ปุ่นนอกจากญี่ปุ่นนั้นมันมีใครนับถือศาสนาคินโตศาสนายิวก็เฉพาะพวกยิวอื่นจากพวกยิวก็ไม่มีไม่มีข้าดันนับถือไม่มีมเพราะฉะนั้นโล ก, กศาสนาก็มีเพียงสามตอนนี้ตามสถิติอ่าเขาบอกว่าคริสเตียนทั่วโลกมีอยู่แปดร้อยล้านทั้งโรแมนทัลิตจากโปรเตสแตนต์กับกรีกอัลเทอร์ และกรนิกายอังกฤษนิกายอื่นๆไปย่อยศสนธิคลิปมีนีกายแยกมาเกือบสามร้อยนีกายแดละมั้งสนธิคริปเนี่ยจะพอนในอเมริกาตั้งร้อกว่านีกายเข้าไปแล้วสนธิคริปเนี่ยเป็นสนธิที่มีนิกายมากที่สุดในโลกนิการเนี่ยจะพอนในอเมริกาตั้งร้อกว่านนะสนธิคลิปในอเมริกาอะร้อยกว่านี่กายเข้าไปแล้วนะเนี่ยแล้วในยุโรปอีกบวกเบ็ดเสร็จแล้วทั้งเก่าทั้งใหม่รวบยอดแล้วประมาณสามร้อยนี่กายศดสนธคริปเตียน แต่นิกายใหญ่ๆก็มีสามคือโรมันคาทอลิกหนึ่งโปรเตสแตนต์หนึ่งแล้วก็กรีกอธิรักหนึ่งสามสามนิกายแล้วน้องนั้เป็นอนุนิกายสาขาแยกมาจากสามนิกายใหญ่นี้มากมายกายกองจำชื่อก็ไม่หวาไม่ไหวล่ะส่วนศาสนาอิสลามนั้นมีนิกายมากเหมือนกันแต่ไม่มากเท่าคริสนิกายใหญ่ๆก็มีสองนิกายฟูนีกับนิกายชีเอเป็นิกายใหญ่แล้วนอนั้นก็เป็นอนุนิกายแยกออกมา แล้วก็มาพุทธศาสนาพุทธศาสนาถ้ารวมมีกายแล้วก็มากมายหลายสิทเข้าไปละลายว่าอ่าสี่ห้าสิทธิ์มกายละมั้งพุทธศาสนานี่เคยว่าไปแล้วก็มีละลายสี่ห้าสิทิกายแต่ว่านิการใหญ่ๆก็เป็นมหายานกับเทระวัตอันนี้เราก็จะเห็นได้ว่าศาสนาในโลกนี้ไม่มีศาสนาใดเลยที่จะไม่แตกแยกเป็นมีกายศาสนาใดที่ไม่มีกายศาสนาสุดว่าตาศาสนาแล้ว ศาสนาที่มีนนมีการเนีแสดงว่าศาสนานั้นเจริญเก่าหนเพราะว่า th th th th from, p p การที่ศาสนาใดเจริญออกไปในท้องถิ่นที่มีวัฒนธรรมประเพณีแตกต่างกันออกไปต้องจำเป็นต้องปรับตัวเองให้เข้ากันได้กับรสนยมประเพณีในสิ่งแวดล้อมอันนั้นนานๆกันไปประเพณีแตกต่างไปชนชาติแตกต่างไปเรื่องมีกายก็เป็นเงาตามตัวต้องแตกแยกไปโดยพลิกิีหนอันเนี้เพราะฉะนั้นมองกันในแง่หนึ่งว่าศาสนาที่มีมีการเนีแสดงว่าศาสนานั้นเจริญ มองในแง่ในแง่นี้นะแสดงว่าศาสนานั้นเจริญแพ่หลายไปในนานาชาติชาติต้องมีวัฒนธรรมประเพณีไม่เหมือนกันศาสนาก็ต้องปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมมืนั้นนานไปก็แตกต่างไปกจาต้นเดิมจึงไม่เกิดเป็นกายขึ้นศาสนาที่เลยเคยมีกายเลยคือไม่เคยไปเผยแผ่ในที่อื่นเลยนอกจากที่เกิดขึ้นตัวซึ่งยังไม่มีไม่มีกายเลยวไอ้นี่อันนี้เป็นข้อเท็จจริง แล้วการที่จะพยายามโรวมมีกายของศาสนาน่อยนี่รวมไปจะลดจะต้องดีบแตกแยกยิ่งขึ้นนี่ก็เป็นข้อเท็จจริงเหมือนกันการรวมมีกายจะได้เคยทําสําเร็จไม่ว่าศาสนาไหนในโลกเป็นข้อเท็จจริงการรวมมีกายจ ะ, จะต้องได้ผลเกิดเป็นมีกายที่สามสมมุติว่าการวมมหายากติเถรรวาสรวมมาลมาอาัฒนศาสนาผู้แต่คนอยากมีกายรวมมหายาติเถรรวาสเอาละไปรวมกันละเสร็จแล้วเสร็จแล้วจะได้ผลคือกลายเป็นว่ามีมีกายที่สามขึ้นมา คือหน่งพวกมาหาญาณที่ไม่ยอมรวมมาฉันไม่ยอมรวมพวกหนึ่งเห็นแล้วว่ามันฉันก็ไม่ยอมรวมมหาญาณพวกหนึ่งและอีกการหนึ่พวกที่ยอมรวมเป็นสามพวกกายเป็นสามไม่กายยิ่งอยากจะให้รวม ก, ก็ยิ่งกลายเป็นยิ่งแตกกันมากขึ้อันนี้ก็เป็นข้อเท็จจริงของประวัติศาสตร์ทุกศาสนามีมีลีลามาอย่างนี้เนี่าเมื่อเราทราบคร่าวๆในหลักของประวัติของศาสนาของโลกในวันนี้ก็ เข้ามาในประเด็นของประวัติศาสตร์ของพุทธศา ส, สนาตอนที่จะมาถึงตัวัติศาสตร์ของพุทธศา ส, สนาเราก็ต้องเข้าใจถึงภูมิศาสตร์สิ่งแวดล้อมของประเทศอันเป็นที่ตั้งของพุทธศา ส, สนาเะก่อนอินเดียมีคนเปรียบเหมือนว่าเป็นทวีปพี่เรียวกว่าเป็นทวีปเขาก็เรียกไปอย่างเต็มภาคภูมิเพราะคําว่าทวีปน่ะหมายถึงแผ่นดินซึ่งมีน้าล้อมสองข้างคือว่าทวีปทวีปหรือทีปาคือเกาะในภาษาบาลีทีปะในภาษาสุสติเป็นวีปะ คือทวีปแปลว่าแผ่นดินซึ่งมีน้ำล้อมอยู่สองข้างชมพูทวีปนี้ก็เป็นอย่างนี้เป็นแบบนี้คืออินเดียตามความหมายของชางชนชาติโบราณก็คืออินเดียแล้วก็ชนชาติดั้งเดิมของอินเดียนั่นน่ะก็ได้แก่พวกเนาะต้นสกุลเดียกับพวกเนาะทางปากใต้ของเรานี่แหละพวกเนาะพวกนี้อยู่เป็นมนุษย์ในสกุลเดี ย, ดยกันว่านิกริโตหรือนิกรอย ผมหยิบยองตาพองจมูกจ่อนดิ้นที่ปากหนาตัวตัวแคะลักษณะของเนาะมีความรู้ทางอารยธรรมไม่ต่างแล้วกับสัตว์ป่าคือนุ่งภาพพอนก็เข้าไม่เป็นสินของดิบปลูกเครไม่เป็นงอปกปักหน้าเวลานี้มาติดต่อคนไทยตามหมู่บ้านแล้วเจริญขึ้นเยอะนะเราจะไปเอางอกดิ้นที่ไปวัดกับงอกสมัยโน้นไม่ได้นะงอกที่นี้จเจริญมากแล้วภาพพอนุ่งได้พูดภาษาไทยได้งไปสัมผัสงอก แถวปกักใต้ก็ยังพูดไทยออกจอบอ่ะแต่ว่าหน้าตา ย, ยังบอกว่าเป็นชั้ น, นงเงาะอยู่ผมเนี่ยมวนเป็นวงกลมเชียวพวกนี้กลอยพวกนี้กลอยนี่แหละเป็นมนุษย์เผ่าดั้งเดิมของอินเดียหรือชมพูทวีปมาก่อนเราๆเจ็ดพันปีมาแล้วได้มีชนชาติอีกชนชาติหนึ่งอพยพมาจากทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอินเดียทิศทางที่คนจะเข้ามาในอินเดียน่ะโดยมากมาทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ทิศตะ ว, วันตกเฉียงเหนือของอินเดียนาเวลานี้คือที่ต่างป ร, ประเทศประเทศปากีสถานมีเทือกภูเขาเถือกหนึ่งเรียกว่าไคเบอร์พารอังติดระตั้งให้เรียกว่าเขาเขาไคเบอร์เขาไคเบอร์ไค เ, เบอร์พารอยู่ในแคว้นถ้าจะว่ากันตามมรคดีโบราณก็เรียกว่าอยู่ตั้งอยู่ในแคว้นคันธาราสไคเบอร์พาสเนี่ยคันธาราสถัดเมืองตักกิลาไปมากไม่กีม่มากน้อย คาดว่ากันอย่างในเมืองในปัจจุบันก็ในได้แต่บริเวณเมืองราวันบินดี้ในประเทศปากีสถานเดียวนี้ไคเบิลพาร์นี่เป็นช่องเขาชนชาติต่างสี่สิบชนชาติสี่สิบเผ้ามาแล้วที่เข้ามาลุกลานอินเดียเข้ามาตั้งลูกบานในอินเดียจะต้องเดินทางผ่านช่องเขานี้มาเรื่อยเี่ยจะเป็นพวกอารยันก็นดีจะเป็นพวกกองทัพตีของอเล็กซานเดอร์รก็ดีหรือจะเป็นพวกโอหุนก็นดีหรือจะเป็นพวกอ่าัูสานก็นดีหรือจะเป็นพวก อ่าักคานก็ดีบุกเามาทางใครเดพรผาทางนั้นที่มุ่งเข้ามาตู่ที่ราบใหญ่ในลุ่มแม่น้ําสินธุกับคงคาอินภูมีประเทศของอินเดียน่ะมีลาภละจาง่ายๆว่ามีทั้งประเทศน่ะมีเทือกเขาใหญ่เทือกหนึ่งแบ่งขั้นเป็นภาคหรือภาคบ่ายเทือกเขาเทือกนี้เรียก ว, ว่าเขาวินไทยวินไทยเป็นภูเขาเทือกนี้แหละที่แบ่งเขตเป็นอุตารบทกับทักศิณาบท เด็ขาดจากกันเลยเขาบินไทยเนี่ยแล้ววัฒนธรรมอารยธรรมชนชาติทางอุตรบทกับพัินาบทก็แตกต่างกันอย่างขาวกระดับเฉ<ม>พาะในแดนอุตตรบทีนั้นทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือมีเพื่อภูเขาอันเป็นจองคีรีของโลกคือหิมาลัยหิมาลายยาวตั้งพันกว่าพันกว่าไม้นะเริ่มต้นติดตั้งต้นมิมาลายเกิดจากภาคเหนือสุดของอินเดียในแคนคัเมียเดี๋ยวนี้ เหนือคัน้นคทชมีอ่มีแผนดินสูงอยู่อันหนึ่งเป็นที่ชมรมของบรรดาจอมขุนเขาของโลกไอ้ชมรมที่น่ะตามหลักวิชาภูวิศาสตร์นียกว่าที่ราบสูงปามีที่ราบสูงปา ม, ทาปามีที่นั่นน่ะมีเคื่อภูเขาอย่ใหญ่สูงกว่าระดับน้ำทะเลกว่าสองหมื่นห้าพันฟิตขึ้นไปสูงกว่าระดับน้ำทะเลสองหมืห้าพันฟิตขึ้นไปนะที่ราบสูงปามีนี่มีเครือภูเขาใหญ่ คือแตกแขนงแยกแยะแจกสาขาออกไปคือชื่อภูเขาฮินดูกูดการากูลุมฮิมาลัยแล้วก็ชื่อภูเขาเชียนชานนี่เป็นเป็นจอมผิวเขาของโลกอยู่ที่นั่นและฮิมาลัยเป็นทุ่งออกจากที่ราสูงตาหมีมุ่นมาทางเขตตะวันออกเฉียงใต้เป็นแนวาการการยาวเยือกตั้งพันกว่าหมา่มาสิ้นสุดเป็นภาคเหนือของพอมา่าที่ฮิมาลัย ในทิวหิมาลัยนี้มีประมาณสองร้อยกว่ายอดอาจะว่ามันมีประมาณสองรอยกว่ายอดแต่ความจริงมากกว่านี้เนี่ยสองรอยกว่ายอดที่ว่าเนี่ยมีความสูงระดับน้ำทะเลสองหมื่นฟิตขึ้นไปทั้นั้นแล้วคชือกภูเขาที่สูงที่สุดในโลกคือเอเวอเรสต์นั่นสูงกว่าระดับน้ำทะเลสองหมื่นเก้าพันกว่าฟิตเอเวอเรสต์สูงขึ้นไปแล้วที่ตามลงมาต้องมีเชือกภูเขายอดเขาคาลีสังกอนอย่างนี้นี่เทวันทีรีอย่างนี้ ก็ขนาดสองหมื่นห้าพันฟิตสองหมื่นหกพันฟิตสองหมื่นแปดพันฟิตของพระปอเหวียงใจเอเวอเรสต์มาเท่านั้นนี่เพราะฉะนั้นในวันในคดีพุทธศาสนาหรือศักนาข่าวที่พัลานาถึงเขาสัตตบริพันธ์เอ่ยเขาไกรลาดเอ่ยเขาพระสุเมรเอ่ยนี่จริงทั้งนั้นไม่ใช่เรืกก่องโกหกจริงหมดถ้าเราอ่า น, น, นา ด, ด้วยพรนอนชาดกอ่านในกันนาพลจุลพล ท, ที่เลือที่ฤาษีพรณนาให้ชูโกคปันนะ่ะเชื่อสิครับเป็นความจริงหมด แต่ว่าจินตะกวีน่ะเอามาเขียนในมันหยดจามาขยายกว้างเนื้อหาเป็นจริงเขาสับสับบริพันธ์มีจริงๆริงอิงสินทอนในมินทรยุคนทอนตาลกูดอืมแล้วก็จากแล้วก็มี ค, คุณเขาคีรีมาศต่างๆมีหมดมีความจริงหมดอักษร์กันเขาไก่ลาดเดี๋ยวนี้ขยายไปเขาไก่ลาดก็ไปได้ถ้าไม่กลัวไม่กลัวทหารทางฝ่ายโน้นเขาจะจับกระบอกไปได้ เขาไคลาดนะมีจริงๆนะเป็นเขาลูกหนึ่งต่างหากในเครื่องพวกเขาฮิมาลายไม่ได้ติดต่อเขาลูกอื่นเขาหรอกอยู่ๆก็โผล่ขึ้นมาไ ม, ม่ปีนี้คุยไม่ได้ติดต่อกระเครือกอื่นโผล่ขึ้นมาลอยๆอ่ะกลางทีวีมาลายแล้วบนเขาไคลาดนี่มีสารโลดามจริงๆด้วยสารโนดา้ที่เราอ่านกันในวรรณคดีตั้งเยอะแยะแล้วเลยจะยกเมฆจะมีจริงหรืออโลดด้าอโนแดดที่ไหนมีจริงๆแม่น้ำสีธทันดาก็มีจริงๆแต่ไม่ได้ว่าหมดสา ม, มารถกระทั่งคุก ตองจากค like ุดพญาคุดยังไงบินข้ามพ้นข้ามนกอื่นก็บินข้ามไม่ได้ไปถึงอย่างนั้นนะไปถึงอย่างนั้นหรอกไม่ได้ใหญ่โตอย่างนั้นหรอกมีจริงๆแต่ว่ามันไม่ได้ใหญ่อย่างนั้นเดี๋ยวนี้คนคนข้ามยากจริงๆเขามันจะไม่ยากหรอกีหนึ่แปดโดยข้าไม่ได้มันเหมาเม็ตไปหมดที่ม้าติดขนทางหมดแม่แต่เขาไปเขาไกรลาบนี่เหมือนกันบนเขาไกราบมีสานูดัดสานูดาดเวลานี้เขาเรียกว่าสัมมนักโกรวาแหมใหญ่โตมากนะสระนี่ยเรายืนฝั่งนี้มองไม่เห็นฝั่งโน้นแต่สระนี้ ประหลาดอยู่ที่ว่าทําไมจะมีสาระน้ำบนยอดเขาสูงขนาดสองหมื่นกว่าฟิตอยู่บนนู้นแล้วใ น, นในวันอันคดีพรานาบอกว่าน้ําในสระ น, นูดานีไหลไหลเข้าปากช้างปากนกปากมา้าออกมาปเป็นแม่น้ําสินทุกแม่น้ําคงคาแม่น้ําอะไรต่างๆเนี่ยไม่ีสริงจริงนั่นแหละประหลาดอยู่ไหลออกมาจริงๆไอศิษย์ปากช้างปากนกปากม้านี่ไม่ใช่อื่นไกลเป็นโลกหินนั่นเองเป็นศิลาลักษณนะคล้ายๆหัว้าง เป็นศิลาลักษณะคล้ายๆกับพโหมาเนี่เป็นอย่างนั้นไม่ใช่ไม่ใช่มาจริงๆนี่ไม่ช่างจริงๆไม่ถ่ายเป็นลูกศิลาคล้ายๆแล้วบนภูเขาหนะ้ามีคนอยู่มีวัดพุทธศาสนาวัดลามะของทิเบตอยู่บนโน้นแล้วก็มีเทวารายของพระอิศวรอยู่บนน้นว่าที่พระอิศวรประทับอย่บนไกรลานะ้าน่ะคือที่นี่เอง กินดูเมสัพคันนะไปตายที่ไกรลาเป็นขึ้นสวรรค์ทั้งเต็นแต่จริงเลมันอยู่บนน้นจริงเลยเลยระดับน้ำะเลต้องหมืกาะเพชรเลยมองมาเมฆก็ดากว่าเราเลยเราี่เมฆจริงๆเนีอยู่บนน้นอ่ะเมฆลอยอยู่ข้างล่างต้องดำกว่าเรานี่ยเมฆอ่ะแค่แค่สองพันพิษก็ะเมฆก็ลอยอยู่ข้างล่างแล้วอย่าวไกลเลยเราไม่ต้องไปไปถึงสีมาลายเขาไกรลาสหรอกไปแค่ดอยฟอนู่นเองอ่ะพอแล้วที่ที่จังหวัดเชียงใหม่ไปลอยุยขึ้นไปโดยลอยก็มองมาเมฆก็อยู่ดำดำแล้วไม่ต้างไม่ต้องไม่ต้องไปอื่นไกลหรอกเพราะฉะนั้น ไอความคิดลุกลงสวรรค์ในาศาสนาพราหมณ์บว่าอยู่บนภูเขานะ่ะมันเกิดจากอันนี้เกิดจากว่ามันมีขอ้อเท็จริงอยู่แล้วก็เอานักบินตะกูไปขยายความเอาภูเขาเอาสวรรค์ไปซ้อนอยู่บนภูเขาเป็นชั้นๆไปสวรรค์ในาศาสนาพราหมณ์นะอยู่บนภูเขาแต่สวรรค์ทุพข์เรานะ่ะไม่ใช่ภูเขาเป็นโลกโลกทาตุดวงดาวอันหนึ่งที่ได้กล่าวมาแล้วที่เขาไตรลักนี่ปีหนึ่งเดินทางไปมาถึงกันไม่ได้แปดเดือนที่มากตกกัน้นผนังหมด คนบนโน้นลงมาไม่ได้คนข้างล่างขึ้นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นถักใครสมัครใจจะอยู่บนโน่นต้องเตรียมกับตุนอาหารเอาไว้กินตลอดแปดเดือนไม่งั้นอดตายล่าสัตว์สัตอโนดาบอยู่บนโน้นอ่ะปลาโตโตโตเท่าแขนไม่รู้อยู่มันอยู่ได้ยังไงทำไมไมันเกิดอยู่บนโน่นได้ก็ไม่รู้ปลาโตโตโตเท่าแขนมนะันอยู่บนโน่นะไม่มีใครกล้าจับอเป็นปลาเทวดามันไม่มีใครใคงกล้าจับน้าก็ไม่น้ําศักดิ์สิทธิ์พวกฮินดูไปไหว้ที่วัดลวงบนโน้นแล้วแล้วก็ดักน้ำสัตว์อโนดาบมันเป็นน้ำทิพย์ ล้างบาปกันดีแล้วเกินแล้วก็ไม่มีใครถ้าหาว่าเป็นพี่ไายเราอยู่อาจจะมีความคิดดีตวงน้าจากสารดาัมาขาข้างล่างล่ามรวยไปตามกันแน่น้ามนต์แต่ตะบ่อบน้ำพิษยังยังตวงกันมาแจกจ่ายกันได้ในเมืองเรานะ่บอ่อน้ำพิลาบุรีอ่ะเนี่ยมีาา่สารดัดยงม่ร้ละนุ้ทนไม่ต้องกลัวชือโรคหนาวอย่างงั้นอ่ะชือโรคตายหมดเงชื่อโรคไปเชชื่อโรคต า, า, ายหมดแล้วอยู่ไม่ได้หนาวมันต่กว่าศูน่ความหนาวบนโต่ำกว่าศูนย์เนี่ย ตอนนี้พระเอกรักไม่มีหัวคิดอย่างคนไทยเลยไม่มีแขกคนไหนตั้งตั้งโรงงานผลิตไปเอิมต้องทิดจากคนโน้ลงมานี่เป็นเรื่องของขอบเขตถิ่นนะครับแต่เนี่ชนชาติมีกรอยที่เป็นเจ้าของถิ่นของอินเดียเนี่ยต่อมาอยู่มาแล้วไม่ช้าก็มีชนชาติใหม่ที่เข้ามา ล, ลาลาเจ็ดพันปีมาแล้วชนชาติใหม่ที่เข้ามานี่เรียกตัวเองว่าทราวิทะ ทราวิทะทราวิทะเนี่ยฝรั่งไปเขียนเป็นดราวิเดียนดราวิเดียนคือตัวสันสกฤตเขียนว่าเขียนว่าทราวิทะเรียกกันอย่างไทยๆว่าพวกทราวิชนชาทราวิอพยพเข้ามาพวกนี้ได้เป็นพวกที่บรรลุอารยธรรมอย่างสูงแล้วได้มาสร้างบ้านแปลงเมืองในบริเวณที่เรียกว่าโมเห็นโตดาโรอันเป็นบริเวณลูกแม่น้ําสินธุ ในภาคเหนือของอินเดียเวลานี้กรุงโบราณคดีอินเดียเขาได้ขุดขุดเมืองโบราณเขาพวกทราววิทสร้างขึ้นเมื่อเจ็ดพันปีมาแล้วนะสร้างเมืองเป็นชั้นๆลงไปใต้ดินถึงสิบสามชันแล้วก็มีตัวอักษรใช้แล้วมีการจารึกตัวอักขรละบนดินเผาดินเผาแล้วในเมืองนั้นมีถนนมีท่อระบายน้ำมีห้องช่วมไม่จะโลนมากคนสมัยเจ็ดพันปีสร้างห้องช่วมได้สร้างท่อระบายน้ำได้ ไม่ใช่ชนชาติบาเหนืยเป็นชนชาติอิสราเอลแหละนี่พวกคาราวิดชนชาตินี้ได้มาตั้งมัน่นตั้งอะไรทําอินเดียชาแนานจนกระทั่งลาวลาว 2,500 ปีก่อนคริสตกชนชาติอรารยัคอรารยันหรืออารยกาสิ่งนี้บุกลุกเข้ามาชนชาติอรารยันหรืออารยกาหนาแต่เดิมอยู่ที่ไหนปัญหานี้น่าจิตปัญหานี้มันทําให้คิดไปถึงชนชาติว่ามนุษยชาตแรกของโลกเนี่ย โลกลากเดิมอยู่ที่ไหนถ้าเราศึกษาประวัติชนชาติโบราณนะไม่ว่าจะเป็นบ้นตระกูลของพวกยิบ ต, ต้นตระกูลของพวกอักคีเรียนต้นตระกูลของพวกซีนต้นตระกูลของพวกอารยานันนักมนุษย์วิทยาวิทยานักภูมศาสตร์ที่ประเทศแคสเปียนพวกง่า ย, ายาว่าประชานโธเดเบี่ยวไม่ออกขี้ไม่ออกก็ที่ประเทศแคสเปียนคล้ายๆกับว่าแคสเปีย น, เ, นยเป็นแหล่งผลิตมนุษย์จริงๆแหละที่ประเรศทะเลสาบแคสเปียน ออกมาจะกแคสเปียนอเมริกาก็มาจะกแคสเปียนไปยุโรปพวกจีนก็มาจะกแคสเปีย น, ย พ, วยนพวกอินเ ก, ก็มาจะกแคสเปียนทำไมถึงแอบันทึกแคสเปียนมันมีข้อเท็จจริงอยู่คือว่าใจกลางของทวีปเอเชียเรานีเป็นทวีปโบราณ น, นักหนาทีเดียวถ้าจะว่าไปแล้วเป็นทวีปโบราณ น, นักหนาทวีป ต, ต่างๆ อ, มอเมริกาออสเตรเลียเอยออฟริกาเอยยุโรปเอยเป็นบริวารเอเชียทั้งนั้นหรือจะพูดอีกในหนึ่งว่าเรากลางแขนสี่โลกสมัยล้านตีดู จะเห็นว่าโลกเราไม่ได้แบ่งเป็นห้าหกทวีตอย่างนิววิหรอกเพราะว่าแผ่นดินถึงกันหมดออสเตรเลียก็ติดกับหมู่เกาะนิวจีนีติดกับอินโดอินโดจีนอ่ติดกับเอเชียอเมริกาหรืออเมริกาใต้ติดกันหมดเดินถึงกันหมดออฟริกาเวลานั้นท ะ, ท, ะทะเดลทะเอแดงยังไม่ก็ติดติดกันหมดอืมอยุโรปแล้วเวลานี้ก็ยังติดกันอยู่เวลานี้ยุยยยโรป ติกับเอเชียอยู่ไปทางบกก็ได้เราถ้าเรามายุโรปเนี่ยเดินบกไปเข้าทางประเทศรัสเซียข้าภูเขาข้าภูเขาแอลเข้ามาในยุโรปเวลานี้ี่ยยุโรปก็ยังติดกันอยู่ทวีปเพราะฉะนั้นโลกในสมัยภูมีศาสมัยหลายล้านปีมาแล้วนะไม่ได้แบ่งในทวีปหรอกเป็นแผ่นดินบกเดินเหินถึง ก, กันปฏิชาติฉันกับคนนะอพยพไปมาถึงกันหมดสมัยหลายล้านปีมาแล้วไซบีเรียไม่ได้เป็นประเทศที่อ้างว่า หรือว่า ว, วิเวเรลี่ยนกล่า ว, วังเวงอย่างเดียวนี้ไม่ใช่เป็นประเทศที่เขียวชะอุ่มด้วพชืชพัาธุ์ธรรมชาติทัง้งชาตินาน า, นาพันธมูโกเรียทะเลทรายก็ยังไม่เกิดทะเลทรายสาราก็ยังไม่เป็นทะเลทรายในแอฟริกาทะเลทรายการาฮารีในแอฟริกาต้ก็ยังไม่ได้เป็นทะเลทรายแล้วก็ทะเลทรายตะกรารมากันในตุรกีัานจีนก็ยังไม่ได้เป็นทะเลทรายทั้งหมดนี้เป็นที่ราบผืนใหญ่เป็นป่าดง เป็นที่แหล่งอุด ม, ดมสมบูรณ์มนุษย์ยุคดึก ด, ดำบรรพ์ได้ตั้งต้นขึ้นที่นี่ที่ศูนย์กลางใจกลางทวีปเอเชียเดี๋ยวนี้เวลานั้นทะเลสาบทคสเซียนไม่ใช่เล็กอย่างอยู่นี้ใหญ่ยยโตมากบริเวณสองฝั่งแคสเซียนนั้นแหมเป็นพันธุ์ชาตุกชาติ์งดงามปลูกอะไรก็งดงามเก็บเกี่ยวอะไรก็ได้ผลดีมากเพราะฉะนั้นมนุษย์ชาติต่างๆมีต้นโคตเกิดที่นี่อยนั้น เกิดในบริเวณใจกลางทวีปเอเชียไม่ว่าจะเป็นผิวขาวผิวแดงผิวดำผิวเหลืองทั้งสี่ผิวนี่แหละหรือดําแดงเนี่ยอยู่ที่นี่เท่านั้นบริเวณนี้ตั้งกันเป็นย่อมเล็กย่อมใหญ่ย่อมเล็กย่อมใหญ่หากิ่ในวิทยาศาสัตร์นะหากิ่ในวิทยาศาสตร์เป็นมนุษย์สมัยหินเครื่องมือ อ, อาวุธที่จะล่าสัตว์ก็เอาเครื่องหินทําเป็นหินขัดนี่ต่อมากนะรณีวิทยาเกิดเปลี่ยนแปลง น้ำแข็งทั้วโลกเหนือพังทลายลงมาพังทลายเกิดน้ําท่วมลใหญ่น้ําท่วมใหญ่เพราะน้ําแข็งทั่วโลกพัลายโลกรามส ม, มุลทุนสุดในบริเวณแฉกทิ น, ทพพนีหมดไปมนุษย์ตายเป็นเมไปมากมายที่นี่รอดตายก็เยอะแล้วก็ที่รอดตายก็ต้องหนีสิหนีไปกระจัดกระจายไปตามที่ที่พ้นพ้นในถ่ายน้ําท่วมก็เลยกระจัดกระจายแยกแยะมาอยู่ในออสเตรเียบ้างอยู่ในยุโรปบ้างเข้าไปในแอฟริกาบ้าง โดนโดนมุ่งหน้าไปทางตะวันออกด้วยข้ามไฟบีเรียทั้งไปบีเรียไปลงอเมริกาเหนือทาง阿ัสกาซึ่งเป็นแรดเอสกีโมเดี๋ยวนี้ไปเข้าลงแต่ถึงกระนั่นมันา น, น, นเขา้าใจกลางทุยเอเชียก็ค่อยๆแห้งแรงหลังจากนั้นท่วมแล้วก็ค่อยๆแห้งแล้งลงไอที่เคยอุดมสมบูรณ์ก็เกิดไม่มีน้าเมื่อคนเรามาอยู่ได้ไรน้ำเนี่ย นาไม่มีเราไปตะบงหนีหาถิ่นทำกินใหม่นานๆเข้าเกิดพายุเจ้ากรรมอะไรไม่รู้พัดมาขอบอลาซาร์ไม่รู้ออกมาจากไหนมากม า, กายก่กองมาทับผมทับผมไอ้ทีที่แห่งแล้งแลนะ้วน่ยกลายเป็นทะเลทรายแล้วทะเลทรายเกิดขึ้นแล้วทะเลทรายที่เกิดขึ้นก็ได้แต่ทะเลทรายโกบีกบนบในทะเลทรายโกบีเนี่ยมีคนไปขุดพบใทะเลทรายนะขุดลึกลงไปเป็นกิโลเ ป, เ, ปเป็นเป็นหลายหลายสิบเมตรคุณผู้ชมว่ ขุดพบองราณฝังอยู่ในใต้ทะเลทรายโปบีซึ่งผลขุดพบอักษรโบราณซึ่งอ่านก็นไม่ออกว่าเป็นคนของคนข้างไหนเสียนถึงกับมีตำนานว่ามีเมืองฝังอยู่ในทะเลทรายโปรบีถึง350เมืองถูกทรายทับกลายเป็นทะเลทรายหมดนี่มนุษย์ที่เป็นเจ้าของบ้านเมเมงหล่านี้น่ะล่มจมสูงชาติไปหมดถึงจะไม่สูญชาติอพยพหนีไทยไปก็ต้องการเป็นชนชาติใหม่ซึ่งลืมความเก่าไปหมด เพราะฉะนั้นในสมัยใดสมัยหนึ่งเมื่อหลายพันปีมาแล้วได้กเกิดกะลียุกดังที่ว่ามามนุษย์ซึ่งเคยตั้งรกรากในบริเวณใจกลางทวีปเอเชียจึงต้องอพยพเทครัวหาถิ่นทำจินบางพวกเข้าไปในยุโรปบางพวกเขามาทางตะวันออกบางพวกเข้าไปในแอฟริกาพวกที่มาทางตะวันออกนี้ได้แก่พวกอารยันสาขาหนึ่งกับพวกเซมิติกอีกสาขาหนึ่งพวกอารยันสาขานี้เป็นพวกพวกใหญ่ อพยพมาอาพยพมาถึงตอนเหนือของอิหร่านก่อนจะเข้าอินเดียพวกนี้ได้แตกกกันเป็นสองกกแตกกกันมูลเหตุที่แตกกกเนี่ยเขาให้สันนิฐานดูจากประวัติของศาสนาโซโรอัสเตอร์กับศ า, าสนาพราหมณ์คือว่าในศาสนาฮินดูน่ะนับถืออินทราชไอินรีนะเป็นพระเจ้าโบราณของของพวกฮินดูมาก่อนพระอิศวรนาลาย์ประบรมนะอินทราเนี่ยผู้ถือสายฟ้า <อ>เพราะเหตุที่ว่าพระพุทธอินทร์เปผู้ถ the ือสายฟ้าเพราะเหตุท museum ี rock on rock on rock on ่ว่าชาวอารยัน่ะเป็นเกษตรกรต่ออาศัยน้ำฝนช่วยถ้าเวลาได้เกิดแห้งแล้งถ้าหากว่าได้บูชาบูถวายที่ธีถวายน้ําโสมากกับพระอินทร์แล้วต่อพระอินทร์โกรดก็ประทานฝนออกมาก่อนที่จะประทานฝน่ะพระอินทร์จะต้องกว้างด้วยอาวุธวิเศษคือวัชิระเป็นสายฟ้าออกมาเพราะฉะนั้นมนุษย์ดีเห็นว่าก่อนที่ฝนตกสายฟ้าแรกแป๊บแป๊บ วกวอาเยนขั้งโหมอนี่ล่ะนั่นก็ใช่อินละ่ะใช่อินได้โปรดตามคำอ้อนวอนของเราแล้วพระองค์ได้คว้างวัชิราวุธเพื่อจะขับไล่ความแห้งแล้งความแห้งแล้งนี้สมมุติเป็นยักษ์ที่ว่าครึตตาศูนครึตตาศูนย์พระอินได้คว้างวัชิราวุธขับไล่ครึตตาศูนคือไอขับไล่เจ้าตัวแห่งแล้งเนี่ยให้หนีไปนี่แต่ว่าพวกศาสนาโโรอาเซอร์ซึง่งเป็นศาสนาโบราณของคนชาติอิหร่าน นักถืออาศูนเป็นพระเจ้าไม่นับถือพระอินทร์ถือว่าพระอินทร์เป็นยักษ์ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ค่นนับถือนักถืออาศูนยเป็นพระเจ้าเพราะฉะนั้นพระเจ้าเขาหนาเป็นอกุระอัดาอาหุระนี่มาจากคํำอาอศูระภาษาอิหร่านโบราณออกตัวตัวหอไม่มีเสียงให้ออกจึงเป็นหอเลยเพราะฉะนั้นอาศูระในภาษาสันสกฤตหรือบาลีเป็นคาุระในภาษาอิหรานโบราณเน่าสนาโซรอาเซจึงนับถืออาศูนเป็นพระเจ้า อาสูรในศาสนาของพวกครามนะแต่พวกคราม น, นับถือพระอินถือว่าอาสูรนี่น่ะเป็นประตูของของพระเจ้าเพราะเว่าพวกอารยันเดียวกันนั่นแหละมาแตะคอกันตรงนี้เลยแบ่งพวกไป็สองก๊กเลยก๊กหนึ่งนับถืออาสูรเป็นพระเจ้าอีกก๊กหนึ่งนับถือพระอินทร์เป็นพระเจ้าพวกนับถือพระอินทร์เป็นพระเจ้าก็เข้ามาผ่านช่องไคเบอร์พัสเข้ามาในอินเดียมาเป็นต้นตออู่อารยธรรมอารยันในอินเดีย ส่วนผู้ที่ถืออาชีวินพระเจ้านั้นไม่ยอมตามมาด้วยวกเข้าไปสู่ประเิศอิหร่านเป็นต้นโคตรทุนชนชาตอิหร่านในปัจจุบันนี้แบ่งเป็นสองกบในวันนี้พอทุคกคนจะเวลาอบรรยายมาถึงตอนนี้ก่อนนะเพียงเท่านี้ข้ามุขมันจะเป็นชาวอาหรับโดยตรงเลยใช่ครับและคาว่ายาอาล อ, อยะอาลอ้นั่นก็มาจากคาอาหรับใช่ไหมยาตาลอ์ยาอาลอยาตาลอ้นั้นเลยครัได้ เดยพบในหนังสือพงศาวดารใช่ครับใช่ครับที่้ว่าแปลเป็นภาษาไทยแล้วก็เรียกว่าผู้ยิ่งใหญ่ครับใช่ครับที่นี้ศาสนามลายูหรือว่าอิสลามนี้ถ้าหากว่าคุณหนึ่งผู้ใดเกิดลูกออกมาก็มีโต๊ะยีไปกรอกที่หูของเด็กว่ายะอารอยะอารอหมายความว่าจะให้เด็กนั้น ใหญ่โตขึ้นมาและก็ให้เป็นคนใหญ่คนโตขึ้นอ๋อปราเด็นนี้อันนี้ผมว่าคเพื่อนเคยจะได้ยินที่นี่นะครับไหนครับอ๋อเคอไปกรอกที่หูเด็กนะอเวลาเด็กเกิดมาใหม่ๆแล้วก็มีโต๊ะยีครับหมายความว่าหัวหน้าไปบอกบอกไม่่เด็กไปกรอกทหูเด็กว่าอย่าอ๋อย่าอ๋อมาแปลมาแล้วก็เรียกว่าให้เด็กนั้นเป็นผู้ยิ่งใหญ่ครับ แต่ว่าทําไมที่ศาสนาอิสลามเขาไปอา ท, ำทํำทีในเมืองเมกากันมากเหลือเกินอ๋อที่ไปทํปทำพิธีนในเมืองเมกาน่ะก็เขราว่าที่เมืองเมกาน่ยมีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึ่งเรียกว่าสถานกาบาสถานกาบาเนี่ยเป็นของเก่าก่อนพระมูฮัมหมัดเกิดคือพว ก, ว ก, วกวาอาหลับในสมัยก่อนพระมูฮัมหมัดน่ะนับถือาศาสนาพหุเทวานิยม แล้วสถานกาบาเนี่ยในสถานที่แห่งนี้มีหินอยู่ก้อนนึงเป็นหินสีดําหินสีดำก้อนนี้น่ะพวกอาลบก่อนท่ามาหมัดนับถือกันว่าเป็นศูนย์กลางของโลกแกนของสวรรค์แกนของโลกอยู่ที่นี่ถ้าพูกบป็นเจ้าคือพระอัลลอฮ์นะเขาทักอยู่ที่นี่ที่บันลังหินก้อนนี้ฝักเซ็กที่สุดนะแล้วบริเวณกาบาเนี่ยนอกออกมาก็มีเทวรูปเทวรูปที่พวกอาลบสลักขึ้นบูชาตั้งสามรอกว่าองค์ คือ ต, ต่างคนต่างสลักพระเจ้าขอั้วคือนบูชา่าแต่แตคงกล้าใจว่าคงจะเป็นเสพุทธรูปของเสภุตธเจ้าอยู่ในเมืองมการด้วยไอ้นี่เห็นจะเป็นข้อสนิฐานเราหาหลักฐานไม่ได้นะครับว่าจะเป็นขั้วถูกหรื อ, อไรแต่แสดงว่าเป็นเทวรูปแน่เทวรูปแน่แล้วก็โทรูปเหล่านี้น่ะถ้ามุฮัมมัดสั่งให้ทําลายหมดในวันประกาศศาสนาอิสลามยกกองทัพเข้ามาตีเมืองมกาบอกว่า้อย่าออกนามพระเจ้าอื่นยกเว้นไว้แต่พระอัลลอฮ แล้วทําไมศาสนาอิสลามเขามักจะกัดอวัยวะสืบพันธุ์ของเขาอันนี้เป็นประเพณีครับไม่ใช่มาถึงไม่ไม่ไม่ใช่ข้อบัญ ญ, ญัติของศาสนาเป็นประเพณีของมาจากพวกยิวครับอันเนี้ยมาจากพวกยิวเป็นประเพณีเข้าวาเพื่อความสะอาดไอ้ไอ้ของเดิมความความตั้งใจเดิมต้องการตัดให้เพื่อชาระล้างความสะอาดหุดมุ่งหมายเดิมต้องการความสะอาดไม่ใช่เป็นมุมนงในกุศลอะไรแล้วแล้วศาสนาอิสลามตั้งแต่จังหวัดอ ภาคใต้จังหวัดนครศรีธรรมราชสงขลาสตูนยาลาณราชิวัตรปัตตานีนี้ก็ชาติอาลับมาตั้งก่อนใช่ไหมไม่ใช่ครับศาสนาพวกนี้นะมาจากพวกประเทศพูกมรกาเจ้าเมืองตุลตางเมืองมรดกาเป็นคนประกาศเอาศาสนานี้เป็นศาสนาประจำรับแล้วหลังจากนั้นเชื่อวงของตุลตังเมืองมรดกาเนี่ย ติดต่อแต่งงานมาถึงพวกครูตานรม่ัตต่างๆในปาหังตรังงอตรังกะนูปาริสเยโฮมีเชื่อวงเป็นมาถึงกันหมดก็เลยขัดชนกันมาเข้ารีบอิสลามก็ในประเทศมาเลเซียก็จัดว่าศาสนาอิสลามอยู่เหมือนกันใครฮะใช่ไหมประเทศมาเลเซียที่นูดิเซียเลยฮะมาเลเซียมาเลเซียใช่ทําไมฮะก็มีศาสนาอิสลามคนอยู่มากเหมือนกัน ก็ศาสมนาอิสลามเนะ่ยเข้าเมืองมะละกาเป็นเมืองแรกก่อนเวลาจะเข้ามาสู่และมีโดนจีนมาตั้งที่เมืองมะละกาก่อน แ, และมหาราชาที่เมืองมะละกาเนี่ยเป็นคนแรกที่ทิ้งศาสนาพราหมณ์ไปเป็นอิสลามตอนนี้เป็นพรามนะหลุดเป็นใช้คำว่ามห า, าราชหมดเลยเป็นพราหมหมดเป็นพราหมหมดนักศึกษาตนกระพุทธเนี่ยแต่ทำไมแต่ทําไมอยู่ในความอารักขาของอังกฤษเพราะว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นในสมัยตอนบนรัคนโกลสิน อังกฤษบริษัทอนะิสอินเดียกัมบารีน่ะมาตั้งขึ้นแล้วอิสินเดียกรมนีก็ต้องการชิงอำนาจกับพวกฮอลัน ด, ดาฮอลัน ด, ดาน่ะยึดครองประเทศมาเลเซียอยู่ก่อนแล้วฮอลัน ด, ดาก็ยอมยกประเทศมาเลเซียให้อยู่ในขายอิทธิพลของอังกฤษอังกฤษก็ค่อยคิดการจากักรวรรดินิยมขยายไปในเมือง้องเมืองเป็นอย่างนี้ครับก้าวม่วนแถมแล้วภาษาเชียงใหม่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 เป็นเพราะเวทนาอะไรครอบงมจิตใจเธอเธอเสียใจเพราะได้บุตรเป็นหญิงหรือขอให้ชี้แจงด้วยท่านพระครูพิยตถามมา <c oughs> ข้อหนึ่งนะครับข้ อ, ขอที่ปัญหาอีกข้อหนึ่งคืออัตมาอาหนังสือเรื่องธรรมบทได้พบประวัติของภาษาวกรูปหนึ่ง <c oughs> เมื่อออกเที่ยวพิกษาประชาชนจะตักบาทมักจะต้องถวายอาหารแก่ท่านก่อน ด้วยบอกว่าส่วนหนึ่งถวายท่านอีกส่วนหนึ่งให้ผู้หญิงที่ตามหลังท่านดีเหมือนกันเพราะจะได้สองส่วนเรื่องผู้หญิงที่ตามท่านนั้นท่านก็ไม่เห็นนี่ก็เป็นเพราะเหตุอะไรในสมัยนี้ถ้าลูกนักรบถวาดได้สองส่วนก็คงสบายทําอย่างนั้นจะได้อย่างนั้นอย่างนั้นบ้างาท่านสวสดิทองเชียงใหม่ถามมาเรื่องนี้ก็นี่มนทัศนรครูไปอ่านในหนังสือธรรมบทในหนังสือธรรมบทตอนตอนที่กล่าวถึงนี้ท่านก็อธิบายไว้เลยท่านตครูครับ ที่ิบายประวัติแจกแจงละเอียดเพราะพระองค์แสดงสุภกรรมของพิสูจน์ูปนี้ที่มีหญิงตามหลังมาเพราะอะไรหนังสือมีอยู่แล้วนะครับอันนี้อย่าให้ผมต้ออธิบายไปมากนะฮะอันนี้แล้วส่วนปัญหาข้อแรกที่ท่านถามาบอกว่าเป็นเพราะอะไรถึงร้องไห้เพราะเห็นหญิงเด็กหญิงนี่อันนี้เห็นดาบจนเพราะใครจะมเขาไม่มีพระราจิตตามิชา น, นะที่จะไปหยั่งใจเธอถูกว่าคือร้องไห้ไม่หยุดเพราะเหตุอะไระอานนี้นะฮะอันนี้เกี่ยวกันจะต้องคนมีพระราจิตตามิชา น, นะอที่จะมา อาศัยสติปัญญาคิดดาเอาในขณนะนี้นะไม่ได้แล้วครับต้องดูเหตุการณ์ดูบุคคลดูสิ่งแวดลอด้อมดูอดีตประวัติเขอมีความกระเทือนใจเรื่องอะไรที่ร้องไหยจะมาพูดตอบดาวสวยตรงนี้ไม่ได้นะฮะอันนี้ต้อขอโทษที่มืออีกท่านหนึ่งถามมาบอกว่าอาพอจะสันนิษฐานได้ไหมว่าพระอริยะบุคคลยังมีอยู่แล้วในโลก อ, อตอบได้ครับมีอยู่แน่นอนไม่ต้องสันนิษฐานเลยมีแน่แน่รอเอร์เซนื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวกับสันนิษฐาน มีร้เปอร์เซ็นอริยาบุคคลมีอยู่ในเมืองไทยนี่ก็มีพระอาริยาบุคคลอยู่นะแล้วก่อนในประเทศพม่าเมื่อไม่กี่ปีมานี้ก็มีพระอารหันต์บุคคลท่านถึงดับขันไปยกหยกพระอารหันต์พม่าท่านดับขันนะองค์นี้เป็นอาจารย์อุ่นุอาจารย์อนุนุแล้วก็ดับขันไปที่รู้ว่เป็นอ า, หารหนะันต์น่ะคืออย่างนี้พระองค์นี้บวชเมื่อแก่แล้วก็ไม่ได้เรียนปริยัติเลยแต่สามารถเทศภูมิอภิธรรมบรรมาตยอย่างสูงสุดได้ ทำไมคณะสงฆ์พม่าเนี่ยอศัศจรรย์ใจถึงกับตั้งกรรมการสอบสวนท่านว่าท่านไม่ได้เรียนทั บ, บ ร, รมาอันแสนจะยากเย็นแต่เทแค่ไหนเมื่อบวชแล้วฝา ม, มาแสดงธรรมในหลักป ร, รมันต์ลึกซึ้งกว้างขวางอย่างนี้สอบสวนไปสอบสวนมาคณะสงฆ์ที่คณะกรรมการฝ่ายฝงถ์สูงุดของพม่าตั้งขึ้นเนี้เรียกว่าคณะโอราทาจริยะสอบสวนแล้วยอมรับเป็นมัติเอกฉันว่าท่านผู้นี้บรรลุอริยธรรมแต่ขั้นไหนบอกไม่ได้ ต้องไม่พูดบรรลุอริยธรรมแล้วถึงสามารถแทงสภาวะถูกต้องทั้งๆที่ไม่เรียนปริยัติเลยไม่ได้เรียนเลยแต่ว่าพูดในหลักสภาวะถูกต้องเป็นจริงหมดถ้าหากว่าไม่ใช่ภูมิอริยบุคคลแล้วพูดอย่างนั้นไม่ได้รอเคอมาข่าวอันนี้หนังสือพิมพ์บุ d h i s t World ออกในลังกาวงข่าวแมก็ฉ่อนไปทั่วโลกเลย